เช้านี้พูดถึงพระเทระองค์หนึ่งชื่อป่าปาปะลิยะเทระท่านพิจารณานีมีใจสงบเนี่ ย, เ, ยเขียนไว้ในปฏิบูตรดกนะพระองค์นี้นั่งอยู่ในป่าองค์เดียวมีจิตสงบแล้วก็มีสมาธิเพ่งฌานอยู่แต่ว่าเกิดความคิดขึ้นมาว่าเนี่ยเกิดความดําดีขึ้นมาอันนี้ท่านพูดหลังจากที่ท่านจบจิตแล้วนะ ก็คงสร้างบา ร, รมีมาละท่านก็ต้องสร้างบา ร, รมีมาสร้างบา ร, รมีมาแต่เป็นพระที่ชอบสำรวมอินทรีย์พอมามาได้มาบวชในศาสน า, า, าของพระพุทธเจ้าตอนแรกยังไม่ได้บวชหรอกรู้สึกว่าจะเป็นพรามณ์เกิดเป็นพราหมณ์ในเมืองสาวัตถีพระองค์นี้นะตอนเป็นคารวะอ่ะเป็นพราม์เป็นพรามณ์ก็เรียนจบไต้เพศ แต่นิสัยของท่านน่ะเคยศึกษาธทรมาเคยปฏิบัติทำมาพอพระพุทธเจ้าองค์ก่อนโน้นเสร็จแล้วก็วันหนึ่งพระพุทธเจ้ากําลังแสดงธรรมอยู่ก็มาอยู่ท้ายบริษัทเลยนะอยู่ไกลๆนู้นละพพระพุทธเจ้าตรวจดูแล้วก็รู้ว่าเออคนเนี้ยมีอัธยาศัยมีนิสัยที่จะบรรลุธรรมพระพุทธเจ้าก็เลยเทศเรื่องอินทรีย์ภาวนนาอิทรยภาวนา หมายถึงว่าพูดเกี่ยวกับเรื่องอินทรียอินทรียหมายถึงว่าผู้เป็นใหญ่ในตัวเราเนี่ยมันจะมีหกอย่างคือมีตานี่ก็เป็นใหญ่ในการเห็นอย่างอื่นเห็นไม่ได้นะนอกจากตาเนี่ยเขาเลยยกให้ตาเป็นใหญ่ในการเห็นหูก็เป็นใหญ่ในการได้ยินจมูกก็ได้เป็นใหญ่ในได้กลิน่นลิ้นได้รสกายก็ถูกต้องสัมผัสแล้วใจ นึกคิดอารมณ์นับรู้ธรรมอารมณ์นี่เป็นใหญ่สุดท้ายพวกนี้ก็เข้าหาใจนั่นแหละทีนี้ท่านพระพุทธเจ้าก็เลยเทศเทศเรื่องนี้ฮพูดถึงการสำรวมระวังอินทรีย์นี่แหละฮะถ้าใครสำรวมละมัดระวังจิตใจของตัวเองจิตใจเนี่ยสติมันก็จะดีขึ้นมามีกำลังขึ้นมา แล้วสติสัมปชัญญะก็จะควบคุมจิตใจได้เนี่ยต่อไปก็เป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วก็มีปัญญายาณรู้ความจริงเนี่ยก็เป็นไปเพื่อความดุดพ้นฟังแล้วชอบใจเลยน ะ, ะเข้าใจแล้วก็เกิดความทราบซึ้งเลยจากนั้นก็มาบวชขอบวชเลยบวชแล้วก็ ตั้งใจปฏิบตัติเข้าไปอยู่ในป่าเนี่ยแล้วก็พิจารณาสูตรนี้แหละเพราะสูตรนี้มันมั น, ม, นมันถูกกับจริตนิสัยของท่า น, นท่านก็เริ่มต้นว่าคนเราควรทำอะไรนะตามลำดับมีข้อวัดอะไรที่ควรทำมีอะไรควรทำเป็นลำดับมีอะไรเป็นข้อวัดที่ควรทำแล้วก็มีกิจอะไร ที่ต้องทำมีมารยาทยังไงมีลำดับความเป็นอยู่ยังไงผู้นิ่งๆนะแล้วก็มีข้อวัดปฏิบัติเนี่ยการดำเนินชีวิตอะทำยังไงรวมทั้งมารยาทความประพฤติของตัวเองอะมันมันมีอะไรบ้างถนะ่้งก็ตรวจสอบนั้นเนี่ยคือพิจรารณาค่ควรละคนที่กำลังจะพิจารณาทำเนี่ย วิโตกวิจารขึ้นมาแล้วท่านก็พิจารไปว่าเออคนเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่รู้ว่าควรไปเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วมันไม่มีประโยชน์ถ้าไม่รู้ว่าไปเกี่ยวข้องเอาตาไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันเป็นโทษมันไม่มีประโยชน์ถ้าไม่รู้ว่าเอาหูไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวอะไร ที่มันเป็นโทษไม่มีประโยชน์เนี่ยไปถึงก็ต้องใจที่มันจะนึกคิดอารมณ์ขึ้นมามันมีโทษไม่มีประโยชน์กลับรู้ว่าอันไหนมีประโยชน์ไม่มีโทษอันไหนมีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษเนี่ยถ้าว่าไม่รู้อย่างนี้เนี่ยแสดงว่าไม่รู้กิจที่ควรทำท่านไข้ควรอินทรียีสังวรนอะ่ะเฉพาะนิสัยของท่านมาทางนี้ท่านก็ยกอันนี้ขึ้นมานะ เพราะฉะนั้นกิจที่ควรทำเนี่ยก็คือต้องรู้ว่าถ้าหากว่าสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์ไม่ควรให้มันไหลเข้ามาสู่ใจนี่นี่ น, นี่ก็คือข้อหาจิตนะเนี่ยกำลังสอนตัวเองอยู่นี่แสดงว่าท่านท่านกำลังพิจารณาเพราะจิตเนี่ยมันยังไม่หยั่งเข้าไปข้างในมันก็เริ่มโดยการเนี่ยพิจารณา เพราะนั้นคนที่สงบแล้วเป็นสมาธินั้นท่านอยู่ในฌานด้วยนะหมายว่าสมาธิหลักเพ่งบางทีฌานเขาก็ไม่ไ ม, ไม่พูดถึงองคฌานแล้วพูดถึงการเพ่งเพ่งจิตอยู่เพ่งอยู่นี่คือมีสมาธิเพราะนั้นบางทีพระพุทธเจ้าสอนปัญญาทั้งหลายเนี่ยสอนวิปัสสนาเนี่ยสอนกับคนที่มีสมาธิไม่ได้สอนกับคนที่ยังไม่ได้มีสมาธินะเพราะนั้นบางทีก็ ถ้าว่าจิตยังไม่มีสมาธิฟังไม่เข้าใจเพราะมันยังไม่มีพื้นฐานลองรับมันมันไม่มีสภาวะลองรับมันก็เลยไม่เข้าใจแต่องค์นี้นี่ท่านมีนิสัยมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วนิสัยของท่านแล้วท่านก็มีสมาธิแล้วเนี่ยท่านจดจ่ออยู่แล้วท่านก็ยกเรื่องว่าเออ พูดง่ายก็คือปรบลบว่าเอะเนี่ยเนี่ยเราจะดำเนินยังไงเนี่ยกำลังดำเนินยังไงจะเดินจิตยังไงจะทำจิตยังไงมีข้อวัดยังไงมีงานทำการทํางานยังไงประพฤติยังไงทบทวนเนี่ยทบทวนอินทรีย์ภาวนาคือท่านฟังอินทรีย์ภาวนาสูตรมา ท่านก็เลยมาทบทวนเรื่องอินทรีย์สังวร น, นี่ล่ละถ้าหากว่ารู้จิตที่ควรทำก็คือรู้ว่าถ้าหากว่าตามันไปเห็นอะไรแล้วมันเป็นโทษเนี่ยรู้ว่ามันเป็นโทษก็ไม่ไม่ไม่ให้มันเข้ามามไม่ไปสนใจมันคือเอาใช้สตินี่ไปกั้นไว้นะเอาสติไปกั้นไว้ ถ้าอันไหนมันมีประโยชน์เนี่ยก็เอาเข้ามาพิจารณาให้มันเป็นธรรมะให้มันมีประโยชน์แก่จิตใจเอาอย่างตาไปเห็นไปเห็นลูกถ้ามันเกิดความชอบใจขึ้นมาอย่างเงี้ยเอาสว่าเอาผู้หญิงผู้ชายนี่แหละมันดูกันง่ายๆเลยอะผู้หญิงเห็นผู้ชายผู้ชายเห็นผู้หญิงตาตาไปเห็นลูกรูปชนิดนี้เนี่ยมันมีอิทธิพลตดใจมาก รูปที่เป็นเพศตรงกัดข้ามเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อใจมากมันมีผลต่อใ จ, ใจิตใจเนี่ยถ้าเห็นแล้วมันไปยินดีขึ้นมามันไปพอใจขึ้นมามันไปพปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันเป็นโทษก็ต้องมีความสำรวมมีความระวังไม่ไปพอใจปรุงแต่งมันต้องดูให้เห็นให้เห็นว่ามันเกิดแล้วก็ดับไป ีเห็นโทษของมันถ้าว่ามันมันมีประโยชน์อ่ะเห็นแล้วก็โอ้มันเป็นอสุภะนะมันเป็นของไม่สวยงามไม่งามมันเป็นของเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องตายเหมือนกันเนี่ยอันนี้มันมันเป็นประโยชน์อย่างนี้ควรเสพควรเอาเข้ามาพิจารณาให้เข้าใจนี่ยท่านก็พิจารณาแบบนี้ละจากนั้นท่านก็ไล่ดูตามันไปเห็นอะไรต่ออะไร คำว่าปล่อยให้ใจสั้นไปกับสิ่งที่เห็นทางตาเนี่ยมันก็จะเป็นโทษท่นานว่าต้องมีสติยับยั้งไว้ก็คือปฏิบัตินั่นแหละก็คือสตินั่นแหล ะ, จะเจริญสตินั่นแหละแต่พูดในแง่มุมที่มันเป็นนิสัยของท่านคือพูดแง่มุมของการสำรวมอินทรีย์แต่องค์ธรรมจริงๆนะ่ะก็คือสติสัมปชัญญะรักษาใจ แต่ตอนนี้ท่านพิจารณาแง่มุมนี้มุมที่ท่านถนัดท่านสํารวมระวังท่านเป็นคนสํารวมระวังเพราะท่านฝึกมาแนวนี้เนี่ยท่านถนัดแนวนี้ท่านก็มาพิจารณาการสํารวมตาสํารวมหูเนี่ยที่มันได้ยินเสียงระมัดระวังให้เห็นว่ามันเกิดดับเกิดขึ้นตั้งตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ไ ป, ไ ป, ไ, ปไปพอใจเสียงเพราะ ไม่ชอบใจเสียงไม่เพราะเนี่ยเป็นแบบนี้มันก็ทำให้จิตเรามันไหลไปปรุงแต่งไปแล้วต้องก็จมูกเนี่ยเรื่องกลิ่นก็เหมือนกันแล้วก็เรื่องลิ้นเพราะเรื่องลิ้นมีรู้สึกว่ามันมีเรื่องมากไอ้ลิ้นเนี่ยเพราะรสชาติของอาหารเนี่ยมันมีเนี่ยมันมีผลต่อจิตใจเราด้วย ที่จริงเราเรารับประทานอาหารเพื่อประโยชน์ต่อร่างกายให้ร่างกายมันอยู่ได้เหมือนสวดกันเนี่ยสวดไอ้ปฏิสังขาโยพีนาบินทบาทให้บทนั้นแหะเป็นบทที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องเกี่ยวกับอาหารเมื่อฉันเข้าไปแล้วมันเป็นประโยชน์เพื่อร่างกายไม่ใชนเพื่อเล่นเพื่อเมาวมันเพื่อประดับเพื่อตกแต่งฉันเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ คนระงับเวทนาเก่าคือความหิวแต่ไม่ให้เวทนาใหม่มันเกิดขึ้นคือความอึดอัดควา ม, มง่วงงงซึมเศร้าเมาอาหารแล้วเพื่อให้ไปฏิบัติธรรมเพื่อให้มีความผาสุกเนะให้มันอยู่ได้ยังมีความสุขท่านก็พิจารณาว่าเออถ้าหาว่าใจเนี่ยมันไปติดอยู่กับรสหวานรสเปรี้ยวรสชาติที่อร่อย เน่ยไปติดใจมันก็จะติดข้องนะเอาคนติดเรื่องอาหารนี่เยอะนะยอมเดินทางไปไกลไเลยนะเดี๋ยวนี้ยิงยิงสื่อเนี่ยนะโอ้โหเอามาโฆษณากันนะแข่งขันกันนะ่ะโอ้โหปรุงแต่งอาหารอย่างนั้นอย่างนี้เลยประดิษฐ์ประดอยแล้วก็เดี๋ยวนี้โฆษณาอาหารแปลกๆด้วยอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลี แต่ว่าหลักของพระพุทธเจ้านี่สิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็เพื่อรำไยกายให้มันอยู่ได้ไม่ใช่เป็นเน้นเรื่องประดับเพื่อตกแต่งนี่มันสวนทางพระพุทธเจ้าเลยนะเนี่ยสื่อเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เลยโฆษณากันแล้วอาหารไม่มีประโยชน์ก็ เ, เอามาโฆษณานี่มันหลอกลวงกันชัดๆนะเด็กก็ติดใจพอเขาโฆษณาแล้วโอ้โหมันทำให้หน่ารับประทานนะ ของเล่นแล้วก็ให้มันอร่อยด้วยเด็กก็ชอบบันสิผู้ใหญ่ก็ชอบบางทีอ่ะเป็นอาหารว่างมันก็ใส่สารอะไรที่ปรุงรสอร่อยโดยเฉพาะไอ้ผงชูรสอะไรมันเป็นโทษ ต, ต่อร่างกายมากเพราะมันเป็นสารเคมีในสมัยพระพุทธเจ้าอาหารมันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นธรรมชาติก็คิดดูกันแล้วกันมันตั้งสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วนี่ 2,600 ปีแล้วเมืองไทยเราก็เหมือนกันตอนเป็นเด็กเป็นเด็กเนี่ยไอหมู่บ้านที่เราอยู่นั่นน่ะมันก็มีป่าล้อมรอบคล้ายๆเดี๋ยวนี้นะโยมแม่จะเป็นคนอาอาหารจะไปสับหวายหาหวายมาแกงหาหน่อไม้มาแกงวางทีโยมพ่อเข้าป่าก็ได้มแมลงมาแมงแขง จ, กกจักจั่น บางทีก็มีพวกไอเนี่ยสัตว์เลยคานอะ่ะไอตัวไอกวาดตะกวดอะ่ะตะกวดเนี่ไดนุนได้นี่มาบางทีก็ไปหากบหาเขียดเราเคยไปหาเหมือนกันนะกบเคียดแต่ไม่ค่อยได้ไปหากับเขาเท่าไหร่มันยังเด็กส่วนใหญ่เลี้ยงวัวเลีเ้ยงควายโยมพี่ชยัยที่ตายไปหาเก่งเราห า, หา ไ, ดได้เยอะด้วยนะ เรานี้หาไม่เป็นเลยกลางคืนมามีมีกระบอกเขาเรียกกระบองครับหมายถึงใต้อะ่ะใตะ้จุดไปเอาเอาไม้ไม้ผุผูกอะแล้วก็ไปคุกกะนะับน้ำมันยางแล้วก็เอาใบเอาใบไม้แห้งๆมาหอ่อห่อแล้วก็มัดเนี่ยแล้็จุดไฟโอ้สว่างต่อมาก็เออรุ่นนั้นเนี่ยมันมีมันมีไอ้พวกไฟชายหรือ ย, อยัง น, น รู้สึกจะไม่มีอ่ะเนี่ยประเภทนี้แหละบางทีได้ไปขายเลยนะมันเยอะตอนไปการขบสมัยนั้นทรัพยากรธรรมชาติมันเยอะบางทีเราลงไปอาบน้ํามันมีนาไอ้ดำข้าวเสร็จแล้วมันก็มีน้ํามันเยอะฮะก็ลงไปอาบน้ําไอ้ปลามันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเราตกใจกลัวกระโดดนึกว่าจระเข้คือไม่เคยเห็นจระเข้ได้ยินเขาแต่พูดถึงจระเข้ ที่ปลามันวิ่งไปวิ่งมาอยู่อ่ะมันเยอะเราก็กระโดดขึ้นจากน้ําอาบน้ําคนเดียวฮะอยู่ชั้นปอนดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่เข้าใจนะอะไรเป็นจระเข้อะไรเป็นปลาเนี่ยใส่เบ็ดก็ใส่เนี่ยลงไปเอาเบ็ดไปเสียบๆไว้เดี๋ยวปลามันก็มากินแป๊บเดียวปูนี่ไม่มองเลยอ่ะปูมันมากินข้าวกินเค้ก สมัยนี้ปูก็หายากแล้วหอยเนี่ยคืออยากอะไรมันก็ไปหาเอาตามเนี่ยตามทองไหลทองนานาแรงก็หานอไม้ไว้ยังนึกนึกถึงโยแม่เวลาไปป่าเนี่ยนะกลับมาสายสายหรือ ย, ย, ย, ย, ยืนใบบเย็นเย็นแลแต่แล้วแต่เวลาที่ไปก็จะมีไอ้ไอ้พวกผลไม้ตามป่า เอามาฝากอู้ดีใจนะมันไม่มีขนมนะเนี้ยบางทีก็กินไม่ได้ก็มีแต่มันสวยอ่าเป็นไม้ผลไม้ป่าแต่มันแข็งแขอะ่ะเป็นคล้ายๆลูกหมากอะไรเงี้ยคล้ายๆมะพร้าวเล็กๆเหมือนไม้ประดับเขาเดียวนี้แหละจะมาเราก็เล่นนี่เนี่ยตอนเป็นเด็กอะ่ะเนี่ยอาหารมันเป็นธรรมชาติเลยแล้วก็มีสวนสวนนี่ก็ไปจับจองเอา ที่ไปจับจองแล้วก็ไปทําไร่ทิ้งเอาไว้ถั่วฝักยาวบ้างข้าวโพดบ้างปลูกทิ้งๆไวอ้อ่ะไปถางป่าแล้วก็ปลูกเอาไว้พอฤ ด, ด, ดูมันออกลูกนั่งเกวียนไปนะนั่งเกวียนไปเก็บเอามาถั่วในแก่แล้วก็เอามาต้มถั่วแดงถั่วดําโห อ, อร่อยเนะี่ยก็มีประเภทนี้แหละนอกนั้นมันไม่มีนะ ขนมแบบเดี๋ยวนี้มันไม่มีขายเลยนะเงินก็ไม่มีซื้อสมัยนั้นก็ก็ยังมีใช้ใจ่ายเงินอยู่แต่น้อยมากพวกอาหารนี่ใช้วิธีแลกกันเนี่ยมีธรรมเนียมแลกกันเดี๋ยวนี้บ้านที่เราอยู่นั่นกลายเป็นเมืองไปแล้วสภาพที่มีความเห็นอกเห็นใจกันยังเอาอาหารไปส่งกันใครได้อะไรแปลกๆนี่ต้องเอาไปให้ญาติพี่น้องนะ บ้านอาอยู่ทางโ น, น้นบ้านป้าอยู่ทางนี้นาคนนั้นคนนั้นแบ่งกันพี่น้องก็เอาแยก่กันไปยังจําได้เอาแย่งกันไปบ้านป้าป้าเป็นพี่สาวของพ่อบ้านเขามีสวนสวนผลไม้นะฝรั่งอันนั้นอันนี้ตาฤ ด, ดูมันะไปแล้วมักจะได้ผลไม้พวกนี้ติดไม้ติดมือบานทีกป็ปีนเก็บเอา นี่บ้านอาไม่ไม่ค่อยมีกระยักไปมันแห้งแล้งไปถึงเอาไปวางไว้แล้วก็กลับเนี่ยเปลี่ยนถ้วยเปลี่ยนจานแล้วก็กลับมาไม่มีอะไรติดมือถ้าไปบ้านป้าแล้วติดมือมีผลไม้ตามที่อยู่ในสวนน่ะมีกล้วยบ้างนี้นั่นมีนี่นี่อาหารมันเป็นธรรมชาติมันมีประโยชน์ใหม่สดด้วยไม่มีสารพิษเลยอ่ะปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่นะ เพราะมันดินมันยังใหม่เดี๋ยวนี้หน้าดินมันหมดแล้วโดยเฉพาะวัดเราเนี่ยโอ้โหปลูกอะไรต้องใส่ปุ๋ยอย่างมากเลยเพราะว่าน้ำชะหน้าดินไปหมดมันชะเอาปุ๋ยไปหมดเลยอะ่ะเพราะนั้นปลูกทิ้งไว้ล ด, ลดน้ำอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันก็เหี่ยวลงไปเหี่ยวลงไปเดี๋ยวก็ตายลูกมันก็เล็กๆไม่อ้วนนะถ้าหากว่าอยากให้มีผลผลิตมันต้องใส่ปุ๋ย บ่อยๆด้วยทุกอาทิตย์ไปเลยเนี่ยอย่างนั้นนะถึงจะได้ผลชนิดตีลดน้ำอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วจะมาบอกว่าเอ้ยไม่เห็นออกยอดไม่เห็นออกผลก็ไม่เคยเอาอาหารนห้มันกินเลยมันก็ไม่มีอาหารที่จะเอามาสร้างดอกผลของมันยอดของมันมันก็มีแต่จะยอดก็ยอดเล็กๆผลก็ผลเล็กๆ นี่ป็นเหตุหนึ่งทำทให้ไปทำปุ๋ยชีวภาพมาอยู่ใหม่ๆก็วางแผนทำยังไงไอ้ที่เราถ่ายลงไปเป็นเป็นเป็ น, ป, นปุ๋ยเนี่ยาไปเรียนรู้มาจากวัดดอยมีพระองค์หนึ่งท่านมีความรู้ประเภทนี้ท่านสอนให้ก็เอามาทำเป็นปุ๋ยนานนานเข้าก็ดูมีเชื้อโรคด้วยบางทีก็บางปีก็เห็นมันใส่เข้าไปแล้วต้นไม้มันก็ มีโรคใบมันก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บเพราะเราไม่ได้ใส่สารที่มันไปป้องกันเชื้อโรค ก, ก็เลยตามมีตามได้เดี๋ยวนี้มันก็เลยทําใจเอา้ามีก็เอาไม่มีก็แล้วไปแต่ชอบใจไอ้ไอ้ไอ้ผักธรรมชาติของเรานี่แหละผักโดยเฉพาะผักพื้นบ้านที่มันออกยอดของมันเองอะ่ะโหแบบนี้แหละมันไม่มีสารพิษเลยอะ่ะพราะเราต้องการ อสารอาหารที่เป็นประโยชน์ผักที่ไปซื้อมาไม่แน่ใจผักบางชนิดมันก็ใส่สารปุ๋ยเคมีบางทีก็ฉีดยูคฉีดยาสะสมเอาไว้ยิ่งไปพวกถั่วฝักยาวโอไม่สนใจเลยเดี๋ยวเนี้ยเพราะว่ารู้ว่าเขาต้องฉีดยามากบางทีก็ฉีดยาแล้วก็ไม่ไม่ถึงเจ็ดวันไอสารพิษมันมันยังมันยังล้างไม่หมด มันก็ไปสะสมในร่างกายอย่างเดียวนี้สารพิษมันเยอะจึงว่าเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันมีความสำคัญมากสมัยนี้ก็โฆษณากันเหลือเกินอาหารอย่างนั้นอย่างนี้ซอสอะไรต่ออะไรเนี่ยโฆษณาบางคนก็ชอบด้วยนะพอดูแล้วโอ้โหมันสมัยใหม่มันมันน่ากินอะ่ะเขาทำอะ่ะกนนึกดูว่าถ้าหากว่าเรา แต่อาหารที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติเนี่ยกับอาหารที่มันผ่านกระบวนการอะไรต่ออะไรมากมายจนเป็นสารเคมีแล้วบางอย่างอันไหนมีประโยชน์มากกว่ากันเราก็ต้องเป็นอาหารที่มันใกล้เคียงธรรมชาติเนี่ดีที่สุดเลยแล้ววัดเรานี่ก็มาอยู่ที่นี่มาอยู่ใหม่ๆนะ่ะมันมีความรู้สึกเหมือนเราย้อนไปถึงตอนสมัยเป็นเด็กเลยนะเออเหมือนกับเราเนี่ย อยู่สมัยเป็นเด็กแวดล้อมไปมีแป่าแต่เขาชาวบ้านก็ยังอยู่กับธรรมชาติเขาก็ยังหาอยู่หากินตามห้วยหนองคลองบึงตามป่าตามเขากลางค่ากลางคืนมานี่เขาไม่ได้อยู่เฉยนะชาวบ้านไปหากบหาเขียดไปหาปลาหาดักสัตว์ล่าสัตว์เดี๋ยวนี้ก็เห็นว่ายากขึ้นละไปไกลกว่าเดิมแล้ว ตอนมาใหม่ๆเนี่ยไอ้ห้วยห้วยบางซายหน้าวัดเราเนี่ยมันมีปลาจากแม่น้ำโขงทวนน้ำขึ้นมาเขามีปลาตัวใหญ่ๆใส่บาตนะแต่ก่อนนี้อาหารของเขาแถวเนี้มันจะเป็นอาหารเนี่ยเป็นอาหารที่หาได้ตามธรรมชาติเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเขาก็ซื้อขนมเล็กๆน้อยใส่ข้าวเหนียวขนมเล็กๆน้อยๆบางทีก็ใส่ข้าวเปลา่า เราก็เออก็ดีได้บุญไม่ต้องห่วงวัดเราก็พอมีข้าวปลาอาหารอยู่โยงเขาถวายปัจจัยมาเราก็เอามาใช้จ่ายเป็นส่วนรวมแล้วก็ไม่ต้องไปไปว่าเออต้องมีอาหารถึงมาใส่บาตรข้าเปล่าๆก็ได้เรามองให้เป็นนิสัยให้มันได้บุญเป็นบุญไปเป็ น, บ, ปนบารามีของเขาแค่ข้าวปั่นหนึ่งเนี่ย เวลาเวลามันให้ผลเนี่ยมันมากกว่าในทะเลมหาสมุทรอีกนะผลที่ตอบแทนออกมานะี่ะเพราะว่าวัดเราเนี่ยเป็นวัดปฏิบัติเนี่ยทานมันให้ผลมากมีอานิสงส์มากแล้วเป็นกฎธรรมชาติด้วยนะเนี่ยอย่างที่เราาทําบุญกับพระพุทธเจ้าไ อ, ไอ้มหาธุกตาเนี่ยฝนตกลงมาเป็นเงินเป็นทองเลยอะ่ะดูสี่นั่นเป็นกฎธรรมชาติ พเขาทุ่มเทเขาตั้งใจทําบุญจริงๆทุกอย่างลําบากอดทนเพราะคนที่ทําบุญเนี่ยมันถึงมั่นใจเขาอุทิศบุญมันก็ต้องถึงเพราะอะไรเพราะว่าบุญมันมากบางทีเราไม่ต้องทําอะไรก็ได้กฎของธรรมชาติมันมีเคนที่ทําแล้วอุทิศบุญไปได้เลยไม่ต้องไปห่วงพอมันเข้าใจอย่างนี้มันก็เฉยเฉยไปอย่างเอารถมาก็อยากให้ไปนั่งไปดูไปอะไรเหมือนคนอื่นเขาอะ เราไม่ได้ตื่นเต้นแบบนั้นก็เรารู้แล้วว่าเอารถมาก็รู้แล้วต่อไปก็ต้องมีการขับเติมน้ำมันเรียบร้อยเวลาจะไปไหนก็มีคนขับใครอยากไปก็ขึ้นแล้วก็นั่งรถไปคือมันรู้ไปแบบนี้ก็เลยไม่ได้ไปตื่นเต้นอะไรนะก็รู้แต่ว่าเออมีรถมาแล้วปัจจัยก็ปัจจัยของโยมเนี่ยซื้อหามาแล้วก็เอาไว้ใช้ในวดัดไปไหนมาไหนคนกนก็เยอะขึ้นแล้วนะ ถ้ามีคนขับมันก็ไปได้ตั้งแต่อยู่บริษัทอยากให้ไปดูเราก็ไม่ไปดูเพราะมันรู้อยู่แล้วก็รถคือคือรถมันมีผลต่อจิตเราคือความรู้อันนี้มันเข้าใจไปหมดแล้วมันมองไว้ก็ทะลุล่ะแล้วมันไม่มีผลต่อจิตเลยอะรถก็คือรถก็จอดไว้ถ้าว่ามันไม่มีกรรมไม่เวรมันก็คงไม่เป็นอะไรถ้ามีกรรมมีเวรเขามาขาโมยไปก็เอาไปสิ ก็แสงมันไม่ใช่ของเราเนี่ยก็ระบบของธรรมชาติก็รู้เฮก็ออกทิดบุญไปเขารับบุญเนี่ยก็ไปดูแล ร, รักษาเนี่ยก็มันก็ง่ายๆ่ายาว่าเราเชื่อมั่นในความดีของเราเชื่อมั่นในบุญของเราผมเชื่อมั่นอย่างนี้มันก็สบายสบายไม่ต้องไปยุงย่งยากใครเดือดร้อนนี่บางทีเขาบอกมาก็อเอาบุญรับบุญแล้วไปช่วยเขาหน่อยสิ ดูแลเขาหน่อยเขาเป็นคนดีนะต้องเป็นคนดีเนะโดยเฉพาะคนที่ปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นความดีที่สูงสุดแล้วธรรมะเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรเกินนี้นั่นมันสูงสุดเลยเนี่ยเพราะนั้นพระองค์นี้ท่านก็พินานี่แหละพินาให้มันเป็นธรรมให้มันถูกทาเกี่ยวข้องกับะไรลยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้น ทางลิ้นก็มีน้ำหนักมากหน่อยเพราะมันมีรสชาติมันมีผลต่อจิตใจมากที่แรกมันก็เป็นประโยชน์ตอน่อร่างกายแต่ถ้าใครไม่มีปัญญามันก็เป็นหลงรสชาติมันความน่ากินความอร ե ศอร่อยหรือว่าตัวเองเคยชอบมามันก็ผูกพันมันก็นึกถึงแต่อะไรก็ตามมันอร่อยขนาดไหนถ้าเอามากๆ ม, มันจะกลายเป็นอีกแบบหนึ่งไป เคยนะมันก็อยากช็อกโกแลตสมัยก่อนมันหายากนี่อยู่ที่วัดดอยธรรมเจดีเห็นท่านอาจารย์แบรนน่ะจะมีองค์เดียวได้ฉันช็อกโกแลตเนี่ยคือมันมีไม่มากก็จะเก็บไว้ถวายอาจารย์เท่านั้นเนยบ้างช็อกโกแลตบ้างพระก็เยอะเอามามันก็ไม่ทั่วถึงดึืเขาจัดยังไงเราก็ไม่รู้แต่ว่าพระนินไม่ค่อยได้ฉันหรอก บางทีก็เหลือจาก่านจามมก็มีเนมเนมีอะไรอยู่เล็กๆกว่าเราแล้วก็ให้เขาไปนี่ตอนนั้นมันก็มุ่งขัดเกลาตัวเองอยู่อ่ะมันไม่ได้เอาอะไรมามีความสำคัญมากกว่าทาคือการขัดเกลาเนี่ย โ, โหมันทุกระดับแหละถ้าใครมุ่งปฏิบัติต้องได้ขัดเกลาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าให้แก้ไขพฤติกรรมเนี่ยมันจาเป็นพอมันออกมาจากใจ มันตามใจอยากตามความดิ้นรนของใจมันไม่ได้ถ้ามันมีกำลังมากขึ้นอ่ะมันสร้างปัญหานี่ก็ได้ฝึกมาแบบนี้ลหละมุ่งขัดเก้าไม่เอาสละไปให้เขาไปพวกเนนพวกอะไรเนี่ยพรรษาน้อยกว่าเราพระก่อนเขายังไม่รู้มาเออเอาชนะใจตัวเองได้ยังไงของเรานี่มันฝึก ฝึกิตฝึกใจมันรู้มันเข้าใจอ่ะมันก็เสียสละได้เพราะมันต้องการเอาอันนั้นมาฝึกตัวเองขัดเกลาตัวเองยังมีวันหนึ่งมีเจ้าภาพโอ้โหเช็อกโกแลตมาเยอะเลยนะแผ่นใหญ่ๆเลยอแจกเจ้าภาพมาจากกรุงเทพซื้อช็อกโกแลตมาคงจะรู้ว่าพระหิวโหยนะถวายอาจารย์ด้วยถวายลูกศิษย์ด้วยรับมันแล้วก็เอาละวันนี้ จะดูสิมันอร่อยแค่ไหนรสชาติก็มันมันเป็นยังไงเน่ก็เอามาฝึกจิตอีกนะมมนใญ่ว่าจะไปหลง ก, กับรสกับชาติมันนะฉันเลยวันนั้นอ่ะฉันไปเรื่อยออมันอร่อยทีแรก อ, อร่อยดีรู้สึกชอบตึบเข้าไปที่ดินเราเนี่ยอืมเอาเข้าไปอีกยังชอบอยู่ยังดีอยู่เอาไปอีกตึบเข้าไปปุ๊บเข้าไปปุ๊บเข้าไป ไปถึงจุดดู่เบื่อโอ้โเอยเย็นเลยนะ่รับเข้าไปอีกไม่ได้เหมือนกันอาเจียนขับออกแน่นอนเลยอเป็นอย่างนี้เองนะเนี่ยทีแรกก็ว่าดีนะพอเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปเปลี่ยนเลยอะนี่เห็นความเปลี่ยนแปลงต่อหน้าต่อตาเลยนะรู้เลยว่าอาหารเป็นอย่างนี้แล้วหรือว่าอาหารอะไรก็ตามมันอร่อยถ้าเราเราเอาบ่อย เอาบ่อยๆนะครับางคนก็เอออาจารย์ฉันแบบนี้ได้เอาสมมตินนะเอามาบ่อยๆที่นี่อาจารย์เบื่อแล้วเบื่ออีกนะที่นี่มันบอกทุกวันมันก็ไม่ไหวเหมือนกันแน่ใครก็ตามเหมือนกันนั่นแหละท่านเอาอันนี้ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ซ้ําไปซ้ํามาเบือ่อมันเป็นขึ้นมาในตัวในร่างกายนี้แหละมันนี่ก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่ง ไม่ใช่ว่ามันจําเจดได้ร่างกายเนี่ยมันอาจจะต้องการาธาตุอย่างอื่นก็ได้หรื อ, อยังไงเนี่ยต้องการาธาตุสงสัยแบบนี้แหละาธาตุอันอื่นบ้างเนี่ยผสมประสานกันไปซึ่งก็มีนะคนหนึ่งอันนี้เขาก็คล้ายๆไปผจญภัยดําเนินชีวิตแล้วก็อดเดินทางหรืออะไรเนี่ยเกิด อ, อุบัติเหตุอยู่กลางทะเลนะลอยลําลอยเรืออยู่กลางทะเลโอ้หลายวันนะหิว อาหารไม่มีเลยอ่ะมึงก็จับปลาทะเลแถวๆใกล้ๆเรือขึ้นมาแล้วประทานสดๆเลยนะทีเนี้ยก็เอาเนื้อมันต่อมามันก็ไม่อยากเนื้อนะมันก็ไปเอาไอเนี้ยตับไตมันอะไรมันมันมันค่อยๆเปลี่ยนไปเขาวะเข้าอธิบายให้ฟังนะทีนีก็ว่าเขาหลอดมาได้ยังไงเรีรกกันเนื้อธรรมดาธรรมดาได้ต่อมาไม่เอาเลยเนื้อมันก็ไปเอาเครื่องในฮะ แล้วมันก็อยากเปลี่ยนไปเอาอันนั้นเอาอันนั้นอันนั้นนี่เอออันนี้มันก็เป็นความเปลี่ยนแปลงอันหนึ่งเกี่ยวกับจิตใจนีธรรมชาติมันมันมันเป็นขึ้นมาพอเข้าใจแล้วมันก็ความดิ้นรนมันก็ลดลงไปสรุปแล้วมันก็ฉันเพื่อให้ร่างกายมันอยู่ได้เนี่ยก็ให้โดยเฉพาะมันปฏิบัติทำได้ดีได้สะดวกเนี่ยทีนี้คนฟังเนี่ย มันก็แตกต่างกันนะบางคนฟังเข้าใจปั๊บเอาไปปฏิบัตินะบางคนฟังแล้วนี่มันหายไปเลยอ่ะมันก็ไปทำอย่างเก่าอ่ะมันไม่เอาเข้าไปเนี่ยนี่เนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยบางคนมันจึงได้ประโยชน์มากบางคนได้ประโยชน์น้อยเพราะฉะนั้นสุวโจจัดสะเนี่ยคำว่าว่านอนสอนง่ายเนี่ยเป็นคนสอนง่ายว่าง่ายสอนง่ายคือฟังแล้ว เข้าใจแล้วเอาไปปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าคนว่าวางง่ายสอนง่ายไม่ใช่บอกอะไรก็เชื่อฟังไปหมดนะคนที่สอนง่า ย, ยหมายความว่าฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเข้าใจแล้วรู้ว่ามีประโยชน์แล้วเอาไปปฏิบัติที่ปฏิบัติ น, นี่มันก็ต้องได้ทวนกระแสด้วยบางทีกับความเคยชินของเราความอยากความต้องการของเราเนี่ย นี่ยมันต้องได้ฝืนได้ต่อสู้บางคนมันไม่เอานะดันทุจรังอยู่งั้นละไปเชื่อความเห็นของตัวเองธรรมะมันก็เข้าไปช้ามันไม่ไปถ้าคนไหนเอาปับ๊บปเปลี่ยนแปลงตัวเองทันทีเลยเปลี่ยนตั้งแต่ความคิดความเห็นนู่นเนี่ยธรรมะของพุทธเจ้ามันต้องเปลี่ยนแปลงที่จิตซะก่อนความเห็ น, หนแฮมตรงซะก่อนมันยังแก่ดถ้าฟังแล้วไม่เอาไม่เชื่อ หรือเชื่อแต่ไม่ทําตามทําเป็นหูทวนลมอ่ะแบบนี้มันไม่ก้าวนะหน้าก้าวหน้าก็ก้าวหน้าช้าคนนั้นน่ะเพราะฉะนั้นมันต้องลงให้พระพุทธเจ้าเลยลงให้ธรรมะอย่างนี้มันก็ก้าวหนะ้าอย่างบางคนเนี่ยถึงอยู่บ้านอยู่เรือนนะบางคนแค่ฟังเนี่ยเอาไปปฏิบัติเลยนะไม่ฟื้นเลยอ่ะขอเงี่ยหูฟังแต่ว่าพระพุทธเจ้า ว, ว่ายังไงพอบอกพระเจ้า ว, ว่าอย่างงี้นะ เอาไปทําเลยกกาวหนาว้าเร็วแต่คนได้ฟังแล้วมันเหมือนกับว่ามันมันใจมันไม่เข้มแข็งอ่ะมักง่ายอยากทาตามความเข้าใจของตัวเองความเห็นของตัวเองตามความเคยชินของตัวเองอันนี้ไม่กกาหนานใจมันต้องเข้มแข็งด้วยเพราะนั้นเพียรเนี่ยเพียนแผ่เผากิเลสให้เราร้อนทันว่ะต้องมีแบบนี้ด้วย ทีนี้พระ อ, องค์ น, น, บบนี้พี่นาพี่นาแบบเนี้ยพี่นาไล่ไปตั้งแต่ตาหูจหมูกลิ้นกายเออกายนี่ก็พี่นามากท่านพีนามากกายเนี่ยท่านก็พิจารเรื่องนี้ยเพย์ตรงกันข้ามนี่ละะผู้หญิงผู้ชายอะไรต่ออะไรเอามาสอนจิตตัวเองอ่ะพูดง่ายคนกําลังสอนจิตตัวเองอ่ะให้เห็นโทษมันเนี่ยถ้าไปหลงกับมันอยู่อย่างเนี้ยจมอยู่กับมันอ่ะ มันก็จิตมันก็ไม่สามารถเข้าหาธรรมได้ธรรมมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วท่านพีนาไปถึงใจสุดท้ายมันเข้าไปหาใจหมดเลยแล้วท่านก็สรุปสรุปว่าต้องธรรมะเท่านั้นนานต้องให้มันเป็นธรรมให้มันถูกต้องจึงจะใช้ได้แล้วท่านก็บอกตัวเองว่าเราเนี่ย จะต้องขัดเกลวเอาชนะความอยากความต้องการนี้ท่านก็ไม่ใช่จะไปทําลายพวกนี้อย่างเดียวนะท่านบอกว่าต้องทําเหมือนกับว่าเราจะผ่าไม้ท่านว่าตอกริ่มเล็กๆ ล, ล, ลงไปก่อนลิ่มเล็กๆจากนั้นใช้ริ่มใหญ่ตอกริ่มเล็กลงไปอีกทีนึงแล้วก็จะผ่าไม้ได้ท่านว่าก็เปรียบเหมือนกับว่า เราจะละกิเลสเราจะชนะกิเลสตัณหาภายในจิตใจของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะละได้ทันทีเนี่ยก็ต้องให้มันมีทรรมย่อยๆไปก่อนเหมือนตอกลิ่มเล็กๆไปก่อ น, นขัดเกลด้วยแล้วก็ให้มันเห็นความจริงทีละเล็กทีละน้อยไปก่อนแล้วก็ให้มันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยแล้วก็ทำทำใหญ่ดีวว่า อริยมรรคสมบูรณ์หรือโพธิปักขียธรรมสมบูรณ์เนือสติปัฏฐานสี่สมบูรณ์โพชฌงเจตสมบูรณ์เนี่ยวิชาวิมุตติก็เกิดขึ้นเองน่นท่านก็เลยเข้าใจเลยและทัางกะบรรูเป็นพราณ์บรรูเป็นพราณ์แล้วท่านก็เนี่ยพูดคาถาอันนี้เนี่ยพูดคาถา น, นี้ขึ้นมาว่าคนเราเนี่ยควรจะทําอะไรเป็นลําดับมีกิจอะไรที่ เป็นข้อวัดที่ควรทำควรมีมารยาทยังไงบ้างความประพฤติของตัวเองเสร็จแล้วท่านก็พิจารณาว่าเออมันที่มาของโทษโทษภัยของจิตใจที่มาของทุกข์ภายในใจเราจริงๆนั่นก็เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าว่าเราไม่ไม่สามารถที่คัดสันคัดเลือก ว่าอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรควรตัดควรกัน้นอะไรไม่ควรอะไรไม่ต้องไปกัน้นไปขวางเอาเข้ามาพินิจพิจรารณามันจะเป็นที่มาของทุกสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจถ้าว่าใครสามารถแยกแยะได้อันไหนที่มันเป็นไปเพื่อเกิดกิเลสตัณหา เกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดความรุ่มหลงมัวเมาเป็นไปเพื่อทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ให้ตัดมันละมันเนี่ยหรือว่ากันไว้แล้วก็สร้างธรรมะขึ้นมาทำย่อยๆจนกระทั่งทำมีกำลังมากสรุปแล้วเข้าไปหาธรรมเข้าไปดูความจริงสูงสุด เขาไปเห็นไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราก็หลุดพ้นได้นี่ก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นแหละแต่ว่าของท่านเนี่ยพูดในแง่มุมของอินทรีย์สังวรแล้วก็ไปสู่ความดับทูกได้เหมือนกันเพราะ น, นั้นความสําคัญก็คือว่าสติสัมปชัญญะของเราเนี่ยมันไปควบคุมจิตได้ไหมสติเราแล้วมันกันอารมณ์ได้ไหมกันอารมณ์แล้วเนี่ย มันเข้าไปเห็นไหมเนี่ยคือมันกันไว้เพื่อให้จิตเนี่ยมันเป็นสมาธิมันตั้งมั่นพอเป็นสมาธิแล้วใจมั่นคงแล้วมันก็ต้องเห็นที่อะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยนี่มันเห็นถ้ามันเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นกําลังศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันมีกําลังขึ้นมา จิตก็มีกําลังนะโหชงจิตสมบูรณ์อรยิยมรรคมีองแปดสมบูรณ์เนี่ยมันก็ผ่าหันกิเลสได้เองก็ทางนเดียวกันนั่นแหละขอให้ดูตัวเองนะทีตั้งสติดีๆนะตั้งใจให้มันตื่นอยู่ข้างในนะเตรียมตัวนะตั้งใจเป็นโอกาสสดท้ายนะให้รู้ว่าจิตของเราเป็นยังไงกายเราเป็นยังไง มันดูอะไรอยากจะดูร่างกายก็ได้จะดูถ้าจะดูเป็นร่างกายดูลมดูการนั่งดูการที่มันเกี่ยวกับร่างกายส่วนต่างๆของร่างกายหรือว่าจะดูเวทนามันมีเวทนาเจ็บปวดตรงไหนไหมมุนชามั้ยอันนี้ก็เลยมองในแง่ของเวทนา หรือว่าดูจิตเนี่ยมันมีความนึกคิดปรุงแต่งหรือมีความรู้สึกอะไรความรู้สึกที่อยู่ในจิตบางทีมันก็มองในมุมของจิตก็เป็นอาการของจิตเนี่ยมองในแง่ว่าสบายไม่สบายอันนี้ก็มองในแง่ของเวทนาสุขหรือทุกหรือว่ า, าทุกข์คำสุขเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุข นี่มองมุมมองของเวทนาแต่ถ้ามันเข้าไปหาจิตชนิดที่มันไม่สนใจอย่างอื่นแล้วมันจดจ่ออยู่ที่จิตเนี่ยแล้วมันรู้ด้วยว่าแล้วแต่จิตนี่วางจิตเลยนะแล้วแต่จิตนี่คือมันวางแล้วแวงวางจิตแล้วนี่ถ้าใครไปถึงตรงนี้ว่าเออแล้วแต่จิตหรือจิตมันเป็นยังไงเป็นธรรมชาติของมันนี่มองเห็นแล้วจิตไม่ใช่เรา บางคนก็เห็นกายว่ามันไม่ใช่เราจิตเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นเป็นผู้ดูเนี่ยมันคนละส่วนมันก็แยกออกไปกายกับจิตแยกจากกันนี่แลยยืนแยกรูปแยกนามได้ต้องมีสมาธิ ด, ด้วยนะมาแยกแบบคิดเอาอันนี้ยังอยู่ในแง่ของความคิดมันผ่านความคิดนี่ยังไม่ใช่ปัญญาญาณแต่ถ้าาว่ามันจิตมันเนวอยู่ข้างในแต่แยกออก กายก็อยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตดูรู้อยู่เนี่ยยิ่งจิตไม่ต้องออกไปดูเลยอะ่ะไม่ต้องส่งกระแสไปเลยรู้ขึ้นอยู่ที่จิตนี่คือจิตมีกําลังแล้วเนี่ยนี่พูดสภาวะธรรมเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าจิตของเรามันอยู่ขั้นไหนภูมิไหนอยู่ขั้นตอนไหนยังต้องบริกรรมอยู่ยังดึงไปดึงมาอันนี้เบื้องต้นเนี่ยมันยังไม่สงบมันยังเป็นสมาธิ ยังไม่แน่วแน่มันยังวิ่งไปวิ่งมาอยู่เนี่ยแสดงว่าเราต้องเพียรมากขึ้นมีสติควบคุมจิตให้ได้มากขึ้นเนี่ยเรายังอยู่ในขั้นนี้เราต้องปฏิบัติอยู่อย่างนี้จะไปให้เหมือนคนที่เขาปฏิบัติมานานเขารู้แล้วก็ไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นรัดขั้นตอนแต่บางทีฟังธรรมะมันเข้าใจมันปล่อยมันวางไปก็มี เนี่ยอันนี้ก็ใช้มันได้ประโยชน์จิตมันก็ขยับขึ้นมาอันไหนเป็นประโยชน์เอาเขามาฝึกหัดเอามาปฏิบัติเนี่ยเหมือนที่เราว่าไอ้ขี้เมาฟังธรรมะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องโทษของการดื่มสุราแล้วก็เป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยไม่ควรเป็นสิ่งไม่ควรทำใจเขาเด็ดขาดปึ๊บเลยไม่ทำอีกต่อไปแล้วจิตมีกำลังขึ้นมาเลยนะ่แบบนี้ก็คือว่า จิตมีความอาถานเนี่ยหรือวีเวทนาขึ้นมาฟังแล้วเวทนาอยู่ที่กายไม่จิตจิตไม่ให้ไปยุ่งจิตมันก็ทิ้งไปนี่เรียกว่ามันก็รับเข้ามาเป็นปัญญาของเราไม่ใช่ของเราเรื่องเวทนาให้มันอยู่ของมันไปทีนี้จิตมันว่ายังไงขึ้นมาดูจิตเนี่ยจดจ่ออยู่ที่จิตนั่มันก็ไม่สนใจเวทนาบางทีดูเวทนาไปด้วยแต่มัน มุมมองหรือจุดสนใจมันมันมอยู่ที่จิตถ้าหาว่าเป็นวิปัสนาจริงๆมันมันรู้รอบเน้วยก็เห็นว่าไม่ใช่ของเราไปหมดเอแม้แต่จิตเนี่ยมันก็วางเฉยได้นี่วางอุเบกขานี่แหละอุเบกขาสามพอชงนี่มันจะมันจะประหารกิเลสมันจะตัดสรู้ธรรมเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้แต่ไม่ใช่เป็นได้ตลอดไปมันก็เป็นบ้าง เป็นเราบ้างมันก็เป็นเราพปก่อนละบางทีก็หลงไปบ้างเผลอไปบ้างบางทีเป็นเราแบบเป็นทุกข์ขึ้นมาก็มีเนี่ยมันไม่แน่นอนนี่สภาวะธรรมเองมันก็อยู่ภายใต้กฎพระไตรลักษณ์มันเลยวางหมดเลยไม่เอาอะไรเลยมันจะเป็นยังไงให้มันเป็นทีนี่เราก็ได้แต่ ด, ดูเฉยๆเนี่ยผู้ดูก็ไม่ใช่เราอีกโหนี่เนี่ยถ้าหาว่ามันเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ นั่นแหละมันเริ่มเป็นธรรมแล้วมันเป็นธรรมแล้วก็รอเวลาที่อินทรีย์มันแก่กล้ามันมีความพร้อมมันก็ขยับตัวไปเรื่อยนั่นมันจึงเข้ามารู้ดูมารู้มาเห็นสําคัญว่ามันมั น, ม, นมันพอดียังไงของเราเนี่ ย, ยตั้งใจนะที่นี้ตั้งใจว่าถ้าเราลุกจากนี้ไปแล้วก็จะพยายามมีสตินะถือเป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัว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 นมาสัมผัสทัากระสือโชกกยดพระองค์เอง